รายละเอียดต่างๆนอกจากนี้อาจารย์พรรัตนสุวรรณได้ชี้แจงไว้แล้วในคำนำเมื่อคราวจัดพิมพ์ครั้งแรกหนังสือแววเสียงสวรรค์เล่มสนี้ได้จัดพิมพ์ครั้งแร ก, แ เ, เ, มมรแรกเมื่อพุทธศักราช 2,517 จัดพิมพ์ครั้งหลังสุดเมื่อพุทธศักราช 2,529 ได้ขาดคราวไปสำนักค้นคว้าทางวิญญาณจึงจัดพิมพ์ขึ้นใหม่นับเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่4ี่